ฟังฟังแล้จดจําให้มันได้ครับการฟังจดจําได้อันนี้ไม่ใช่ญาณปัญญาครับเพียงปัญญาปัญญาจึงมีสองระดับปัญญาได้ยินได้ฟังจดจําได้เอาไปคิดอันนั้นก็ไม่ใช่ญาณปัญญาปัญญาอันนี้มันคิดมาได้ เนื้อ ป, ปัญญาสั้นนิดเลยแต่คนมันเข้าใจเรื่องปัญญามไม่เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจที่แรกคนเขาไม่เข้าใจแต่ปัญญาที่คิดหาเงินหาทองปุ่บ้านแปลงเฮือนคืบทามาหาทิมเรื่องิดนี่เขาเรียกปัญญาไม่ใช่ ป, ปัญญาณงปัญญาเป็นปัญญาได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟั ย้งได้อ่านนังเชยด น, นังสื้อตำรับตำลาปัญญามาจากการนึกคิดพระเดกปัญญาไม่ใช่ญาณปัญญาญาณปัญญาอีกเรื่องหนึ่งอันปัญญาอันอย่างเนี้ยเรียนพระไตรปิฎกแตกตามแล้วพระองค์ก็ยังหวยังใส่ไม่ได้เราเรานึกย้อนไปถึงพระองค์ก็ได้พระองค์บวชเข้ามาแล้วเนี่ยไปศึกษาเราเรียนตามครูบาอาจารย์ต่าง รู้เข้าใจดีแต่ไม่มียาปัญญาเขึ้นมันเพียงอาศัยแต่ปัญญาจากขาดได้ยินได้ฟังแล้วการนึกการคิดเพียงแก้ปัญหาตัวเองไม่พอยได้ตื่นพระองค์ครับบัด น, นี้พระองค์ก็เห็นว่านี้มันไม่ใช่ทางรับทุกจนถ้าพระองค์ไม่ต้องพูดก็ได้เรื่องเราเคยพูดกันมาหลายครั้งหลายคนแล้วจนถ้าพระองค์ ไปทําทางจิตทําอย่างอื่นทํามาหมดแล้วเรายัางไม่ทดลองมึงแต่การทําทางจิตทางใจนี่เองพระองค์ก็มาทําทางจิตทางใจนี้เองเมื่อพระองค์มาทําทางจิตทางใ จ, งงททงงใ จ, จได้เกิดยานปัญญานี่ยบั น, น, นี่ยานปัญญาแล้วบังเกิดยานปัญญาขึ้นมาเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงก็เอาปัญญานันนั้มาสี่ภาพวิจัยที่พัก ไปตัวยานปัญญานั้นในก้วงห่วงนะครับในน้อย ส, สั้นเรีลูเขาเ ร, มมาาา ร, าารียก่เรีนปฐมมาศารทุติยศาสตติยศารจตุคศาน์อันนี้เขาเรียกว่าศารห้าต่อมาเขาเขาเรียกว่าศาสตรสามเนื้ออะไรคือปฐมมาศาสทุาสาตยาาิยศาสตรตาิยศารจัตุศาสตร์านตร์สี่อันนี้อันนี้เป็นศาสตราส ยานเป็นบันตามภาษาตัวหนึ่งจเรียกว่ายานตานบันคือไม่ว่าซานจริงยาซานเขาเรียกว่าหอกแต่ยานาายาแานปลว่าเข้าไปรู้อันนี้ยานปัญญาเมื่ออาศัยยานปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งไห้จริงหรอมาวิพากษิจานอีกสักงหนึงอันนี้ก็เรียกวปัญญาไม่ใช่ยานเพื่นค้ัอย่างที่เรารู้จากรูปนามเนี่ยอันนี้เป็นยานปัญญา ญาณปัญญาอันนรู้จักรูปนามรูปไม่เที่ยงเลทนาไม่อันนี้เป็นปัญญามาแยกออกจากตัวอย่างนั้นเองที่ทผมเี่ยคนอื่นจะรู้ยังไงไม่ทราบแต่จะหาว่าผมนี่พูดอวกเกินไปก็ได้ครับผมพูดกลมจลืนให้ฟังผมปฏิบัติผมรูเลยลูกเนี้ยจะก่อนผมรู้รูปบางอเนจั น, นรูปไม่เที่ยงเลทนานินจานเลทนาไ ม, า ม, ไม่แต่ผมไม่รู้ว่ารูกทำทำไม่รู้ พอดีมารู้อันนี้เนี่ยมาทําอันนี้ให้มันเกิดปัญญาที่ผมพูดแล้ววอะทําสิ่งใดลงไปมากก็ตามน้อก็มันไม่เกิดญาณปัญญานั้นก็เส่าได้ครับฟังอันใดก็ตามมันไม่เกิดญาณปัญญาก็เส่าได้ครับทําอันใดลงไปเนี่ยทําอันใดก็าทำผลาญเนี่ยครับทำสิ่งไหนอันเดียว ทำน้อยก็กตามทำมาก็ตามถ้ามันเกิดญาณปัญญาขึ้นให้เกิดความรู้แจ้งสิ่งต่างๆนั้ น, น, นยอดถูกต้องฟังเทศฟังธรรมฟังน้อยก็ตามครับฟังในน้อยก็ตามฟังแล้วมันเกิดญาณปัญญารู้แจ้งสิ่งตามผๆเป็นจริงอันนั้นเดี๋ยวถูกต้องถ้าหากยังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แสดงว่าสิ่งนั้นยังไม่ถูกต้องผมแต่คนอื่นนั้นผมไม่ได้รับรู้ ผมพูดนี่พูดเฉพาะในเรื่องของผมผมได้ศึกษาแล้วเรียนม า, าตั้นๆและได้ปฏิบัติมาผมมาทำอันนี้เนี่ยเลยเกิดความรู้ควมเป็นผมา็จรูปน้ำมันเป็นรูปจริงๆเล้ววกาาเห็นเป็นรูปรูปจากรูปเป็นน้ำน้ำคือน้ำน้ำสต่ะน้ำคุณน้ำอันนี้เรียนแล้วแต่ผมก็ไปว่านาฬิกาเนี่ยเนี่เป็นรูปเนี่ย นามเข้ามาเนะ่ะคือคุณค่าของมันไปดูเวลาอั น, นี้ไม่ถูกต้องแกถูกต้องตามปัญญาที่คิดไม่ใช่ถูกต้องตามปัญญาใหญ่ของปัญญาแกผมได้ดิพาวิจัยคนเดียวผเ<อ>เราเรียนมาแนละ้วกาเห็นเป็นรูปรูปจากว่ารูปเป็นนามหูฟังเสียงเป็นรูปรูปจากว่ารูปเป็นนามเอ๊ะมันเข้าใจกวางจริงรูปนามมันติดกันอยู่นี่เลยรูปทำนามทำเนี่ยมันทำอยู่นี่เนี่ยเข้าใจตัวนี้โอ้อันนั้นถูกต้อง แต่มันทูกข์สันนอกครับมันไม่ทุกข์สันในลูกลูกทำนา้ำทำนี้มันทำอยู่นี่ลูกโลกน้ำโลกมันเ่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโลกเจ็บหัวปวดคอบันี้จิตใจมันนึกมันแค่ไเป็นโลกจิตใจมันรู้จักอันนี้โอ้นี่มันลึกผิดกันเมื่อรู้จักอันนี้ก็รู้จักสมมุติจ้าคอนสมมุติดเอาอันนั้นมาให้พ่อเอานี่มาให้แม่เอาอันนั้นมาให้ผมอันนี้มาให้ฉัน ในสมมุติอันนั้นรู้จักอันนั้นแต่ความจริงอันนั้นก็นถูกแต่สมมุต <True> <nature> ินี่ให้รู้จักว่าสมมติเรามือเนี่ยสมมุติสมมุติแขนขาสมมติอะไรสมมติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติให้ทุกสัตวอย่างเนี่ยให้รู้จักจริงจิงอันนี้สมมุติญาณปัญญาครับสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุตินรกสมมุติสวรรค์สมมุติมาพูดว่า เนี่ยมันเป็นยานปัญญาก็รู้จักโอ้นี่ยมันเอาสมมุติมาพูดไม่เอาสมมติมาพูดพูดไม่ได้ครับการบั น, นี้ก็เดาเอาปัญญาเขามาริภาคอันนี้อีกสือภาคนึี้อันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่ตัวส่ ว, สวยา น, นั่นเออันนี้วันนี้รู้จักอันนี้เราครบจบเพื่อการู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาศาสนาคือคําสอนทั่วไปหรือศาสนาคำสอนทั่วไปอย่างบันนี้เราก็เรียนมาแล้วเท่าไหร่ ศาสนาคือตัวบุคคลพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็ได้หรือตัวรู้ก็ได้ตัวเดียวแค่นกับพอนี่พุทธศาสนาพุท ธ, ธแบบผู้รู้ใครรู้ก็ตัวมันโลนี่เองเราจะว่ายินญานลู่ก็ได้หรืว่าปัญญารู้ก็ได้หรืว่าอะไรรู้ก็ได้ทั้งหรู้แค่นี้ก็พอเนี่ยบาปเปบาปก็คือโง่นี่นเองบาปคือเมือ่อคือไม่รู้ บุญแบบ น, นี้บุญคือรู้บุญคือสว่างบุญคือไม่ทุกข์ออกจากทุกข์ได้คันถ้าหาว่ารู้แล้วออกจากทุกไม่ได้ไม่ใช่ญาณปัญญาเป็นเพียงปัญญาแต่วันนี้เราก็ออกปัญญามารอบรู้ปัญญารอบรู้อันนั้นปัญญามาออกจากที่ญาณปัญญามาคิดที่ภาคปิญญาตัวนี้เป็นปัญญาไม่ได้อาศัยญาณปัญญาแต่เมื่อเรามาทําให้มันเกินญาณปัญญา เอาตัวปัญญาตัวนั้นมาแก้ต่างทีลังถูกต้องถ้าหากเราไม่ได้ทำให้ยานปัญญาเกิดขึ้นแล้วไปกิดีภาควิจารณ์อนั้นอันนี้แก้ถูกไม่ได้ครับผ ม, มคนอื่นจะจะแก้ได้ไหมดูผมก็โอ้คาว่าปัญญาครับเนี่ยมันมีคําเดียวว่าปัญญาเนี่ยกว่ายานปัญญาคําเดียวและไม่ใช่ยานปัญญาจะไป็รูปทุกขั้นทุกตอนนัานไม่ใช่คือเฉพาะยาน น, นี่เหมือนกเราเบิกทางไปที่แรก เบิกทางไปคนที่แพร่ทางไปเที่ยวหลังนี่ไม่ได้เป็นส่วนผู้ที่เบิกหาคนที่ทํางานไปทีหลังนี่เขาว่าลูกน้องก็ได้คือยสมมุติเขาจะตัดถนนคนที่ซองกล้องเขาได้ตัดทางครับเขาได้ตัดต้นไม้เขาซองกล้องไปซองกล้องแล้วเขาตัดเป็นวิวกระกไฮตัดเนี่อคนเบิกทางคนตัดทางเนี่ยไม่ใช่คนซองกล้องนะสมมุติให้ฟังนะที่จะที่พูดนี้ขอเข้าใจไนหะ เออเนี่ยเป็นอย่างนั้นนเน อ, อะสายญาณปัญญาตัวนี้อดทำให้เราเกิดญาณปัญญาตุณิคอดแล้วบัดนี้คนเบิกฐานเน่ยเป็นปัญญาแทา้ฐานยังไงให้รู้จักว่าเรื่องของคนและควอมเป็นคนหน้าที่ของคนถ้าหากยังเราไม่รู้ควอมเป็นคนเป็นมาเพราะอะไรเรื่องอะไรที่ให้คนเป็นคน ก็รวมเป็นคนก็นได้มาจากพอจากแม่พระบิดามาดาถ้าไม่มีพอไม่มีแม่ไม่มีบาดามาดาเรวจะเกิดเป็นคนได้รับมเกิดไนรลควมเป็นคนลูกเท่านี้ก็พออันนี้อาศัยว่าเราก็พูดกันแล้วบัดนี้ควมเป็นคนอยู่ได้เพราะเรื่องอะไรอันนี้เป็นปัญญาเนี่ยวิภาวิจารณ์ขุมเป็นคนอยู่ได้ก็เพราะอาหาร อ า, าหารบำรุงร si ่างกายเป็นคนอยู่ได้ถ้าขาดอาหารแล้ววันหนึ่งอยู่ไม่ได้อีกเสมอเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ววันหน่งไม่มีถ่ายอยู่ไม่ได้หมดมิได้ทายไม่กินเข้าไปก็อยู่ไม่ได้กับคนรเป็นคนก็อยู่ไม่ได้เสมออันนี้เป็นปัญญาขึ้นแต่ทีแรกมันต้องรู้อาแต่ให้ยานปัญญาตัวนั้นเกิดขึ้นเบิกทางก่อนนี่เป็นวันนี้เป็นหัวข้อสั้นๆ้วบัง หน้าที่ของคนบันาีหน้าที่ของคนเรื่องของคนเอาแล้ววันนี้เนี่ยเป็นปัญญาทีข้าววิจารณ์มุ่งมั่วเฉพาะญาณปัญญามัดเพียงแค่นี้เองครับผมเคยพูดให้ฟังถ้าไปเลยไม่ได้ปภพอได้จบเส้นทางปุ๊บรีบขึ้นมาทางนี้แท้ฐานเคยได้ยินบ้างไหมผมพูดอย่างนี้ครับเ<ค>นี่ย ที่มันมีตอมีหินมีอะไรอยู่ที่นี่นเราจะได้ขุดหลับขุดต่อนั้นเออันนี้เขาปัญญาไม่ใช่ยานปัญญาแพ่วถางใหละเอียดเรียบร้อยไปอาศัยยานปัญญาเดินหน้าก่อนแน่จริงว่าปัญญาค่อยแพ่งค่อยถางค่อยเตียนมาให้เรียบร้อยไปเรียบปัญญาอย่างนั้นชื่อว่าการทำอันนี้เนี่ยมันให้เกิดความรู้ความเห็น ใ, ให้เกิดปัญญา มียานปัญญาขึ้นมาเป็นระดับระดับขึ้นมาที่ปฐมมาสานมีองค์ห้าเขาว่ย่าทุติยานมีองค์สามสัตยานมีองค์าสองจตุทะยานมีองค์สองเขาวะนะ่าอย่างนี้วันนี้ตนปัญจมันานีองค์ห้าคือปฐมมานมีองค์ห้าทุติยานมีองค์สี่สัตยานมีองค์ 4, สาม เาสุทตศน์มีองค์สองปัญจามสาสถานจึงมีองค์สองอีกแล้วจริงๆเรามาแยกอันนี้คือเราไปแยกไปตามต่าแต่เราไม่ได้เห็นอันนี้เพราะญาณปัญญาตัวนี้ยังไม่มีเมื่อเราทำให้มันญาณปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นจังหวะเราพูดกันเราสวดกันบ่อยๆกันนั่นว่าพุทธานุพุทธังสามะสีทธิทิฏฐิมก็จะมีผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศินและทิฏฐิเสมอกัน ถ้าเราตัดไปรู้ตามพระพุทธจริงๆเราต้องอาศัยยานปัญญแต่ระดับปัญญานั้นไม่เหมือนกันคนที่เรียนมากๆก็ต้องมีปัญญาแตากตานก้วงอันนั้นแต่ตัวยานปัญญาเนี่แก้ปัญหาได้เหมือนกันครับพระพุทธเจ้าท่านวัดท่านก็นยังชี้ให้ดูแล้วว่าตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเือทางหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาตาคุณก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาตาคุณคานี้ไม่ใช่เป็นปัญญาคําี้คนี้เป็นตัวอยางปัญญาจะรู้เห็นเหมือนกันสัพพะปุริเจ้าท่านว่าอย่างนั้นตัวนี้พี่ตัวเทียดที่ว่าทัดทั้งหลายเหมือนเราตาตาคดนย่างนี้เหมือนกันตัดทั้งหลายคือเราตถตาคตทัดทั้งหลายเป็นตาตาคตไม่เหมือนกัน ระดับสี่ขวบนี้ไม่เหมือนกันอันนี้อาศัยยานปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเห็นส่องทางกับเบิกทางคําเยียมกันไหมคนละคำคนละคำว่ะเนี่ยส่องทางกับเบิกทางเบิกทางเป็นผู้ทธแค่ผู้เตียนใช่ไหมครับเนี่ยส่องทางเนี่ยเป็นว่าผู้ผู้เดินหน้าใช่ไหยเอออาศัยยานปัญญานี่เดินหน้าได้บัด น, นี้เรื่องของคน น, นี่ยเรื่องของคนเนี่ยเป็นญานปัญญาเลย มันในเรื่องของคนจะไปท่ามนการหน้าที่ของคนเป็นเรื่องปัญญาอะไรางอย่างปัญญามันจะเกิดตลอดวันนะครับเกิดเพียงเป๊ะเดียวเป็นก้าวเป็นก้าวไปตอนนั้นเท่าั้ข้อแรกที่ผมรู้มาคือลวงลู้เรื่องลูกน้ำรู้ให้ครบให้จบให้คนจริลูกน้ำลูกท่านน้ำท่านลูกโลกน้ำโลกทุกครั้งทนทีจังหน้าตาหยุดไม่ทักเนื่องว่า ทุกคันอนิจจานาจาก็ต้องมีเป็นตั้งเป็นเปลือกแบบอย่านี้ครับ แ, แล้วก็มารู้สมมุตริรู้ศาสนารู้พุทธศาสน า, ารู้สองพักอะไ น, นี้เป็นสองพักหมดเรื่องกันเลยอันนี้รู้เพืน่นี่ยผมก็เลยไปติดขมรู้อีกเละปัญญาจัเนี่นั้นเป็นเวลาอย่ี้ติดขมรู้จะคิดเราคิดคิดเราคิดคิดจนมาเจ็บหัวคิ ด, คดรู้อันนั้นนั้นรู้ทั้งหมดอันนี้เป็นปัญญา ปัญญาในจุดว่าทาให้เราผิดก็ได้ทําให้เราถูกต้องก็ได้ถ้าไม่มียานเรามันตึงถ้ามียานเราไม่ถาาเลยนะจุดว่าทําเป็นพื้นฐานคือตัวย า, ญญานตัณย์แต่เราก็มาทําเป็นพื้นฐานเอาปัญญามาเป็นพื้นฐานนั่เป็นที่เราฟังที่ครูบาอยายสอนเขาเป็นบัดนี้เมื่อมาเกิดตัวนี้เราผมเสื้อมั่นโอ้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้อันนั้นก็จริงเราไปยืมเอาคําพูดมาแนละ้วมาเจอผมรู้มาในหัวทํา บางคนนะเรียนจบมหาป ร, ริญญาเนีย่ยไปทําำกฎหมายติดตรางก็มีนะที่ประเทศเดือนจําข้างหนึ่งมหาปริญญายนี่ยไปติดตลางก็ ม, นะอ ม, นนะกมีอันนั้นเป็นปัญญาเลยครับไม่ใช่หยาดปัญญาเลยเป็นปัญญาที่คิดแล้วอยากได้ไปทุจริตของเขาเขาก็จับไปติดตลาดเลยเนี่ยถ้ายาปัญญาเป็นหัวข้อแล้วเอาปัญญานี่ไปใช้จะิดก็ิ ปัญญาในจริงวะให้รู้จักเลือกคัดจัดหาออกมาใช้มันเป็นในเป็นพอได้รู้อันนี้ตกเจ็นวาผมจะอาบมาอาบน้ำมาแล้วก็มาเดินผมผมเคยพูดอย่างนี้ควมจริงเป็นเงนินหยาดเดินไปข้างนั้นเลยกลับไปกลับมาเกิดมีความเห็นแก้งรู้สิคัดัดจับค้อนปุ๊นงควา ม, มคิดเหมือนคิดขึ้นมาครั้งที่หนไม่รู้ครั้งที่สอง ครั้งที่สามผมทันทันทีผมคิดทันแล้วก็ผมเคยพูดทำเหมือนเนี่ยคับเ น, นี่ก็ไดุ้กข์แบทันทีเลยก็เกิดให้ยานปัญญาเกิดขึ้นเป็นวัตถุกัลมะมันอากาโทสะโมหะโลภะเวทนาปัญญาสังขารดีกว่าจบจากนี้เวทนาไม่ทุกข์ปัญญาไม่ทุกข์สังขารบัด น, นี้กับปัญญามา อ, อิภาคดีกว่าเลตัวอย่างปัญญาอันเท่ห์นี้นเองน้ําหนักตัวผมเนี่ย ร้อยกิโลครับหายหล่นออกไปหมดเหมือนกับเอาอันยามาสโลมในเนื้อเนี่ยติ้งเข้าไปจับรุดไม่ได้แล้วโทสะโมหโลภะลดไปแล้วตกปุ๊บออกไปแล้วร้อยกิโลเนี่ยออกไปอย่างน้อยต้องหกสิบกิโลแต่ผมคาดว่าแปดสิบกิโลโอ้เข้าใจเลยครับปัญญากรรมยภาพวิจัยแล้ว วัตถุ ก, กหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างประเภทบันี้กนี่มี่ที่ปัญ ญ, ญาไม่ใช่ยานปัญญาเป็นปัญญาเจ้เราหมักแต่กันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดเว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ผิดเอาไปใช้ในทางที่ถูกก็ถูกทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศห้อยหน้องของมือตัวเองก็เป็นวัตถุจิตใจก็เป็นวัตถุเนี่ยบัดนี้ต้นไม้ภูเขาห้วยน้องของมือเป็นปรมตัต กำลังประเสริญอยู่นี่แหละกำลังเห็นนี่เป็นปรมัมมตัวเราก็เป็นปรมัมมจิตใจก็เป็นปรมัมมเนี่ยอาการ เ, น, เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาผู้น้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้วันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่หยาดปัญญาแต่หาดปัญญาซองไปให้เป็นขนางนี้หรือก็ต้องเบิกทาให้พวกเข้าใจไหยครับ<ช>เออเ น, นี่ยหยาดปัญญาตัวนี้อันวันนี้ก็ต้องมาริภาด้วยการมาแยกให้พวกเราเข้าใจไว้ แต่ไม่คนไม่ค่อยพูดอย่างนี้แต่พูดกรนะทำเรื่องที่ผมพูดมาผมก็พูดไม่ได้พูดอย่างนี้มากพูดเนน้อยพูดใ น, นเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเรื่องพูดไปไม่เยอะมากนนี้ตัวแผ่ทางก็ต้องเป็นกันตัวเร่งซองกล้องประเดี๋ยวจานกันอาการก็เปลี่ยนแปลงประเด็นกันว่าโอ้ล่นไปแล้วหกสิบกิโลยิงก็แปดสิบกิโลเขาพูดได้เลย เหลือยี่กิโลเบาสามารถที่โอโอนิ่ต้นทางแหละวบบนี้นี่แหละจะว่าได้กระแสผ่านได้ที่ตรงนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้แต่ไม่ได้ออกเรื่องความพูดของคนอื่นผมพูดความจริงถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้มาอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้ไปก็ปแสดงว่าไปดูอย่างนี้เป็นอย่างเดินกลับไปกลับมานี่เดียวไม่นานเกิดยานเป็นญ กิเลสการหาอุปาทานกับอ๋ก็เลยรู้จักอันนี้ึศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างยาสมาธิเป็นเครื่องกบจัดกิเลสอย่างกลาปัญญาเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างละเอียดแน่ยเราไม่มีศีลเนี่ยพรากิเลสย่างยาอันนี้ก็ยังเอาออกไม่ได้กิเลสยายาไม่ใช่มาคูบุหรี่อันนั้นเป็นตีย้อยมาตัวโมหะนี่เองตัวโทสะตัวโลภสารอย่างนี่เองกิเลสยำยา แล้วก็กิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นเกาะเนี่ยที่ไปยังหยาบถ้าสิ่งเรานีหลุดไปแล้วบเห็นจริ่งจะเห็นแล้วเห็นมันมีอยู่แล้วเพราะอันนี้มันปกอยู่นีก็เลยไม่เห็นสมมติอย่างนี้นะมีนาฬิกาไหมครับมีไหมมีไหมครับแล้วบันนี้ผมเอาพาอย่ี้คุมไปเห็นนาฬิกาไหมเนี่ยนี่แหละกิเลสยังหยาบพอดีเอาีิออกไปปุ๊บนาฬิกามีอยู่แล้ว ของจริงมีอยู่แล้วธรรมะที่ทำํำพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วแต่ถูกอันใดปกคลุมปิดบังหรือครอบงาจะว่าอย่างไรก็ได้เลยเนี่ยลองหาเนี่เป็นปัญญาไม่ใช่ญาณปัญญาเป็นปัญนามารีภาวิจาร์ที่เข้าใจอย่างไรแต่คนอื่นผมไม่รับรองไม่รับรู้แต่คําพูดผมนี่ผมรับรองรับรู้เพราะผมเข้าใจอย่างนี้ที่ว่า เอาคนจริงมาเราให้พวกเราฟังจึงผมสามารถจะพูดอย่างนี้เรื่องอื่นๆไหให้คนอื่นพูดไปได้แต่เราต้องกล้ารับรองคำพูดที่เรารู้มานั้นแล้วกล้ารับรองคำพูดของพระเจ้านั้นและวิธีที่เราทำนี้กับวิธีของพระเจ้านย้นจะต้องการรับรองได้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นน่วยเรงก้องไปทุกทุนเนี่ยให้เบิกทางไปพูด่างนู้น ถ้าเลนก้องเนี่ยเบิกทางไปพุทธโลกตัดไปทางนี้มันก็ไม่ได้ไปทางนั้นเด็ดใช่ไหครับมันก็ไม่ไปทางนั้นเลยทีนั่นเองเอย่างนาะการเบิกทางกับการส่องกล้องเี่งให้มันส่องกล้องเลยน่ะเบิกทางไปตามกล้องได้ถ้าเบิกทางไปทางที่ผิดผิดไปเเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หน่าเอามาคิดจิงๆครับพอดีรู้จักอันนี้ควมสงบเป็นผลถอายได้ผมมานอนก่อน มานอนแล้วแบบนี้รูดจักรอันนี้เราตอนเย็นมานอนนอนผมลุกไปนอน้าเอาไสไปใกล้เลยเทียงไข่ตะขาบตัวหนึ่งมันแล่นมาผ่านหน้าผมผมก็เลยเอาเทียงไข่ตามตะขาบไปไม่เห็นได้เอาเทียงไข่ไปวางที่เดิมเลยลูดจักรชัดเจนขึ้นมาศิลเป็นเครื่องกัปตุลย์จังหนาสมาธิเป็นเครื่องกัปตุลย์จังกลางปัญญาเป็นเครื่องกับปตุลย์ สินตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าสินห้าสินแปดสิสิบสินสองร้อยสิบสินสามร้อยผมไม่เคยได้พูดแคผมพูดสินขันสมาธิขันปัญญาขันสินขันสมาธิขันปัญญาขันขันคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันมีสินรูปอันนี้มีสินนะครับที่มันมีอยู่แล้วคืออย่างว่า ไปเอาอัะไรมาปกกว่านี้มันเดือเลยไม่ดีคิดว่าการจัดกิเจกรรมใหญ่หจิตจะรักษามาแล้วตั้งจะเป็นเหนุ่มพิกเอกมาเป็นหนุ่มมาบวชเป็นพระกระทั่งมามีครอบครัวทําบุญให้ขันรักษาศิเสมอแต่เราไม่รู้เลยถึงขันแปลว่าขันนี้มีศีลเนี่ยคือขันห้ามีศีลขันสี่มีศีลขันเดียวมีศีลขันเยอะเหลอ วิญญาณขันน่ะวิญญาณเจวารู้นะครับตัววิญญาณก็มีศิลวิญญาณเจอปัญญาเขาเลยย่งปัญญาที่มีสองระดับเขาเข้าใจนะครับปัญญาตัวนี้กับวิญญาณเนี่ยมีสองระดับนะครับวิญญาณเจอรู้วิญญาณก็คือตัวปัญญานี่เองโอ้ไม่เป็นไรก็เลยรู้จากความสงบความสงบจะเป็นผลถอยได้ครับความสงบเป็นผลถอยได้เพราะเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาได้กับเพราะยานปัญญาเด็ด เมื่อยานปัญญาตัวนี้ยังไม่เบิดทางมีเพ่ปัญญาชิดเพื่อ ช, ชิดก็ยังปรากฏไม่ได้คว่ำสงบปัญญาปรากฏไม่ได้นี่เป็นอย่าง น, น้เมื่อยานปัญญาเบิดทางแล้วไอ้ที่ปัญญามันเทาทางแต่อนที่เบิดขาเลยอันนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นผลคอยได้ทุกขโมสงบคว่ำสงบที่อเป็นผลคอยได้มาจากปัญญาผมเข้าใจอย่างนี้พอดีรูจ้จักอย่างนี้มาทักก็่สรู้จัก การทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาทำบาปด้วยใจทำบาปด้วยกายถ้าหากงานลกมีนะไปตกนรกขุมไหนนานทีทีทีเดือนไม่เข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างต่ำญย่ังทําบาปด้วยวาจาไปตกนรกขุมไหนทําบาปด้วยใจคิดเฉยๆสามอันนี้ทำอัคคีตัคีนั้นไม่ได้สมความกันไปตกนรกขุณไหนนานทีทีทีเดือน ทำบับ ด, ด้วยกายด้วยวิ ญ, ญาด้วยใจสามอันนี้มันรวบกันเนี่ยไป ต, ตกนอกคุมไหนนาง ท, ท, ทีทีเหยียดรู้จักอันนี้ขึ้นมาทันทีเห็นรู้เข้าใจเป็นแตาเห็นใจมันรู้วิญญาณมันรู้เนี่ยพอได้ยานปัญญาที่นี่เครื่องเบึกทางมันจะไปได้บัางีังครับเนี่ยเครื่องบึกพังแต่ตัวยานปัญญามันต้องเป็นข้องสองดังวันนี้ตรงกันข้ามทําบุญด้วยกาเขามือยกลาก ทำบุญด้วยวาจาพูดจะดีทำบุญ ด, ด้วยใจใจคิดจะดีสามอย่างเนี้ถ้าสวรรค์มีทำบุญด้วยใจไปเกิดสวรรค์กี่กี่เดือนนิพพานมีจะไปกี่กี่เดือนทำบุญด้วยวาจาคำพูดทำดีไปเองไปอยู่สวรรค์นิพพานมีกิงนไปอยู่กี่ที่เดือนได้ทำด้วยใจไป ไปอยู่ที่พีีเยมันเหลวนะครับที่ผบพูดอย่างนีจนกระเดียวเหมือนกับสาเลกทีเดียบมันเป็นวันนี้ทําบุญด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้ตสี่ถ้าหากสวรรค์มีนิพพานมีไปอยู่สวรรค์นิพพานพีพีเดียวันนี้จะเครื่อง่องไปที่เดียรเลงงานเรื่องนี้วันนี้เครื่องแค่ทางแค่ไปเลย่องนี้เนี่ยนิทพานวาจนี้เป็นปัญญาเองพอดีเหมือนกับฟีไฟฟ้าเด็ก เท่หมายเลยทีเดียวแล้วเชือกมาพุ่งติตรงนี้ตัดปุ๊บเชือกมันย้อนกลับมาติดตรงนี้นั่นคือดึงเข้าหากันไม่ถึงเลยอันนี้เป็นยาปัญญาแต่ปัญญากรรมวิภาวิจันมังขาาเพาะเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ไปติดตรงนุดเนี่ยว่าไาใส่กลับขึ้นมาทางนี้ลื่มาอีกอันนี้เป็นปัญญาแลก็ใหญ่ขึนมาต้นขาเนกลับมาเบิดขาแห่ลาทายเปลี่ยนแับไปเทอทีนั้นกลับขึ้นมาแหวฐา้ีนี เท่าทางเดอันนี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาของญาติไม่ใช่ญาตปัญญาเป็นปัญญาที่ตามก้นญาติเนี่ยที่ผมพูดนี่ครับจะฟังเต็มหรือไม่เต็มก็เป็นเรื่องของคนนะแบบ น, นี้เนี่ยระดับปัญญาการฟังจริงไม่เหมือนกันระดับผมรู้จริงไม่เหมือนกันการทำวิธีเนี่ยทําแตกหน้าประจันเกิดมาในชีวิตของผมผมไม่เคยเป็น เคยให้ทานเคยนักษาศิลเคยทำกรรมฐานมากหลายแต่ไม่เคยไปอย่างจะตุพ ม, แบบมั่นใจเลยหุดได้หยุดแล้วแบบหยุดไม่เดินได้แบบนี้คือไม่แสวงหาครูหาอาจาราาย์ไม่แสวงหาตําราไม่แสวงหาอะไรเรียกว่าจุดยุด ก, กับสงบกันเดียวกันอีกแล้วความสงบจึ่จะเป็นผลถอยได้เพราะเป็นปัญญ า, าเนี่ยจริ ง, งดังนั้นพวกเรามาทํา มาเจริญสติเจริญคนรู้สึกให้รู้จักขันต้นเนี่ยเรื่องของคนควรเป็นคนหน้าที่ของคนใหญ่ๆอันนี้เป็นญาณต่างตแต่เรารู้มานล้ยแต่เราไม่รู้จักเมื่อเรารู้จักอันเราจะได้รู้จักครกตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเราเนี่ยเป็นไหว้ครูเอาก็ได้ ไหวพอไหวแม่เราก็ได้ไหวเพื่อนไหวมนุษย์รวมโลกด้วยกันทั้งหมดก็ได้ไม่เป็นไราดทุกคนมีเหมือนกันทั้งหมดไม่คิดกันเลยคือว่าคนในโลกเนี่ยคนไทยเขาเรียกว่าคนคนจีนก็เรียกว่าคนคนอเมริกาก็เรียกว่าคนคนเยอรมันก็เรียกว่าคนนี่คนอังกฤษก็เรียกว่าคน คนอินเดียก็เรียกว่าคนคนคาเมนก็เรียกว่าคนคนยวนคนลาก็เรียกว่าคนให้ชี้ว่าคนเน่ยมีเหมือนกันหมดอันจิตใจสบายสต่บาชิตเมีอันจิตใ จ, ใจ ว, ว่าวุ่นก็มีเหมือนกันหมดแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้ศึกษามาก็ค่ า, ายสุธรรมยสอนให้เราอ่ะให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้ นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติรู้เพื่อเพื่อให้มันเกิดญาตปัญญาดูจักของสิ่งามสติสิี้แล้วก็ยังสอนให้เรามีสติเข้าไปกมมุมในรู้ในอิริยาบท ย, ย้อยคู่เยียดเคลื่อนไหวโดยวิทธิโกมิโตคู่จยเคลื่อนไหวนี่มันเข้าใจคู่เรา